คิดไปอยา่างหนึ่งก็ปริยัติมันก็เป็นเหตุไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะ บางสิ่งก็ปฏิบัติมาก็เห็นเห็นมันบกพร่องแล้วเราถึงรู้รู้เรากวรีบแก้ไขถ้ามาพูดถึงส่วนนี้ก็เหมือนว่าปริญญาตมันจะดีกว่าเอ้ปฏิบัติมันจะเปิดก่อนมันจะแนบเนียนก่อน เราค่อๆว่าทำมาทำมามันรู้เรื่องออกมันสบการมาพอเห็นอันนี้มันไม่สมควรแน่แล้วก็เข้าใจตัดมันออกไอ้สิ่งที่มันสมควรนี่ก็ส่งมันไว้ถ้าพูดใ่แง่นี่ก็เดียยวก็ปฏิบัติมันก็จะเกิดมาก่อนก่อนปริญญา ถ้าพูดไปในแง่หนึ่งก็ดีว่าปริญญามันเป็นเหตมันเป็นแนวทางที่เราจะดำเนินไปตามปริญญาที่เราเรียนมาถาราคิดเช่นนี้มันก็ปริญญามันเป็นเหตแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นนะ มันก็มีกำลังเสมอกันนั้นเคงเคยเทียบไปวังว่าคนมีกำลังน้อยกับคนมีกำลังมากคนที่มีกำลังมากไปยกก้อนหินที่มันมีน้ำหนัก พอยกขึ้นได้พอสมควรแต่ว่ามันหนักแต่มันไหวยกได้ก็เพราะว่ามันมีกำลังมากถ้าว่าคนมีกำลังน้อยจะยกหินก้อนเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็ยกไม่ขึ้นนี่มันจะเป็นเพาะอะไรมันเป็นอย่างนี้นะครับเราจะว่า ไอ้ก้อนหินก้อนนี้มันหนักก็ไม่ได้ครับจะว่าก้อนหินก้อนนี้มันเบามันก็ยังไงอยู่แต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นไอ้ก้อนหินก้อ น, นมันมีน้าหนักเท่าเท่ากันเด็กอายุประมาณสักสิบปีหรือสิบสองปีนี่มายก มันก็ยกไม่ไหวแต่ว่าคนประมาณยัง20กว่าปี25ปีเะไอย่มันยก ไ, ไหวแต่มันก็ก้อนหินก้อนเดียวก่นนั่นแหละไม่ใช่คนละก้อนถ้ามันเป็นเช่นนี้เราจะหมายความว่าอย่างไรการปฏิบัตินี้ควรวันกัน คนมีกําลังไปยกมันก็ขึ้นยกไหวเจ้าว่าก้อนหินมันเบาหรือคนมีกําลังมากยกขึ้นเจ้าว่าคนมีกําลังมากก็ได้แต่ว่าก้อนหินมันเบาก็ได้ไอ้คนที่มีกําลังน้อยมันจะยกไม่ไหว เราจะว่าให้กําลังมันน้อยหรือกอนหินมันหนักเนี่ยมันก็ถูกปริยัตินี้ก็เหมือนกันการปฏิบัตินี้ก็อย่างนั้นแต่ในทางที่ถูกมันก็มีคุณค่าเท่าๆกันนั่นเอง กิริยามันเป็นเหตุมันเป็นวัยพฤษซึ่งกันและกันคนมีกำลังมากก็ยกวัตถุที่มันหนักก็ขึ้นแต่คนมีกำลังน้อยยกขึ้นไม่ไหวมันจะเป็นเพราะกำลังหรือมันเป็นเพราะก้อนหินมันหนักหรือมันเบาหรือหากว่ามันจะเป็นเพราะกำลังมันมากหรือมันน้อย เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นปริยัตแต่ปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นใ้ความเป็นจริงนั้นมันก็ทำทหน้าที่ของมันทั้งสองทางปริยัตมันก็เป็นเหตุเป็นตำลาตำลายา เป็นตำรายาให้คนที่มาเรียนตำรายานั้นก็รู้ตำรามแต่ว่ายังไม่รู้จักราบไม้รู้แต่ชื่อมันไม่รู้ต้นของมันถ้าเรามีปริญญาไม่มีตำรายา เราพยายามศึกษาอีกครั้งว่าต้องรู้ต้นยาต้องพยายามรู้พยายามพิจารณาให้มันรู้ต้นยาตำรานั่นก็เป็นประโยชน์ไอ้ที่มันรู้รากยาเนี่ยก็เพราะตำราที่บอกเป็นเบื้องต้นว่าเราจะสแสวงหาไอ้ต้นยานี่ก็เพราะมีตำรา ประยัตนี่ก็เหมือนตำรารู้ตำรารู้รู้จากชื่อของต้นไม้ก็มีประโยชน์เหมือนกันหมอจะเป็นเหตุให้หาต้นยาเพราะตำราชี้บอกเป็นเหตุจึงในพยายามหาต้นยามีศรัทธามีความเพียรจะพยายามหายา จนกว่าจะไปพบตุนยานั้นก็เพราะตำรามันที่บอกแต่จะอาศัยตำรายัางเดียวถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติออกไม่ปฏิบัติไม่เสดีหาตุนยาให้รู้ตุนยาว่าตนนี้มันเป็นอย่างนั้นตนนั้นมันเป็นอย่างเนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราจะเป็นเสถีหาตุนยาเองก็ไม่รู้ตำรามันว่าอย่างไร เหมือกนกันนั่น น, น, น, น, น, นการปฏิบัตินี่สมันรใจอย่างนั้นในทางที่ดีแล้วก็มีตํารา ย, ยาแล้วก็จําตํารานั้นแสงค้นคว้าหาต้นยามารู้ต้นยารู้ตําราแล้วก็รู้ต้นยาสองอย่างนี้มันก่อสมบูรณ์บริบูรณ์มันเป็นอิฐอย่างนั้น แต่ว่าเรื่องจิตใจของมนุษย์นี่มันก็สำคัญอยู่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจิตใจการปฏิบัตินี้มันเป็นเรื่อง จ, จิตใจมันเป็นนามาธรรมดังนั้นพระพุทธองค์ที่ปฏิบัติไปก็ยังไม่ถูกใจของสาวกบางองคุคบางท่าน บางองคก็ยังตำหนิพระพุทธเจ้าเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นครูสอนของเทพไบยุดาห์เด็มนุษย์ทั้งหลายอยู่แล้วแต่ว่าสาวกทั้งหลายก็ยังนินทาท่านก็ยังไม่ชอบใจกับโอวาทท่านไม่ชอบใจกับาการปฏิบัติท่านก็มี คนเรานี่กับคนกันารนั้นเรามาปฏิบัติคือให้ปฏิบัติคือให้มีความรู้สึกอยู่เรื่อยๆติดต่อกันไม่ใช่ว่าเราจะไป น, นั่งเป็นเดินเป็นเรียบทนั่นเป็นการปฏิบัติมันเป็นกินตยาการปฏิบัติแท้มันเป็นอาการิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลา แต่ก็ทําเป็นการเป็นเวลาก่อนเมื่อเรายังรวงไม่ได้ก็ทําเป็นการเป็นเวลาถ้าว่าเราปฏิบัติจนปวดใจมันรู้เรื่องมันก็เป็นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไอ้ของที่สืบเนื่องเพื่อจะเตือนสติ ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายนั้นเาก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้ขาดมันเป็นอาการดีโกถึงแม้ว่าเราจะเห็นมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่เห็นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นอาการิโกอย่างนั้นอาการดีโกกับการิีโกนี้ก็เป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกัน ผมเคยเล่าให้ฟังเสมอว่ามันหยดของน้ำ <c oughs> หยดแห่งน้ำที่ยังไม่ติดต่อกันต้องเรียกว่าหยดแห่งน้ำมันยังมีความไหลเลื่อยกะเทียบต่อว่าสติของผู้ปฏิบัตินั้นน่ะมันรุ่มุนโดนโดนไม่สม่ำเสมอ บางทีมันก็มีสติชัดแจ้งขึ้นมามันก็รู้เรื่องอะไรต่ออะไรอะไรไมันเป็นอะไรพอสมควรแต่ความรู้ไม่ติดต่อกันนั่นท่านเรียกว่าปฏิปทาไม่ติดต่อกันมันเป็นวักเป็นตอนถ้ามันไม่ถ้ามันเป็นวักเป็นตอนก็มันไม่เสียเรื่องกันมันยังไม่เนื่องกันก็เหมือนหยดของน้าที่มันหยดตรงมาน่ยแหละ <c oughs> มันก็ยังเป็นวัตเป็นตอนถ้าเราเล่งให้กำลังน้ำมันพุ่งขึ้นมากๆหยดของน้ำมันก็หายไปมันก็เป็นสายน้ำไหลติดต่อกันก็เรียกว่าน้ำมันไหลถ้ายังไม่ติดต่อกันก็เรียกว่ามันเป็นหยด เป็นหยดแหงน้ำ <c oughs> ไอจีมันน้ามันเป็นสายเดียวกันที่มันไหลติดต่อกันนั้น <c oughs> เพราะมันมาจากหยดแหงน้ำ <c oughs> เราเร่งให้กำลังน้ำมันพุ่งแรงขึ้นมันกติดต่อกันหยดมันก็หายไปหยดแหงน้ำาอจีมันหายไปที่ไหนมันก็ไม่หายไปที่ไหนแ้วมันเปลี่ยนเป็น สายน้ำมันติดต่อกันการปฏิบัติสติเหล่านี้กับวันกัรฉันนั้นการกระทําให้มีสติสัมปชัญญะเป็นสัมมาปฏิปทามันติดต่อกันมันก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> ยังงั้นหยดแหงน้ำรับสายน้ำที่มันไหลติดต่อกันนั้นมันก็เหมือนกันแต่ว่าลักษณะมันต่างกันลักษณะมันต่างกันว่ามันเป็นเงินเป็นอาการิโกมันก็หยดสติเหล่านี้ก็เหมือนกันฉันนั้น ว่าเรามีความรู้สึกรู้สึกความผิดชอบอะไรอะไรอยู่และพยายามตั้งขึ้นให้รู้ให้มากพยายามตั้งให้มากขึ้นให้ความรู้สึกนั้นมันติดต่อกันมันไม่เป็นมักเป็นตอนเรียกว่าสติตามตาล ที่เราทและคําที่เราพูดไม่ขาดอื <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนกันกับสายน้ําที่มันไหลติดต่อกันนั้นนั่นก็มันเกิดมาจากหยดแห่งน้ําสายน้ํามันติดต่อกันเมื่อมันติดต่อกันผลเดียวสายน้ําไอ้ความรู้สึกของเรานี่ก็เหมือนกนารฉานนั้น ที่เราเรียกว่ามันขาดส ต, ติมันขาดส ต, ติไอ้สติตัวนี้มันก็สสำคัญเมื่ออะไรส ต, ติมันขาดไปก็เป็นบ้า เ, เมื่อส ต, ต, ติขาดเมื่อไรเสียเหมือนนั้นมันไม่ติดต่อกันคนเราเมื่อมันขาดส ต, ติแล้ว มันก็ผิดปกติของมันนันรุ่งรุ่งอนดอนมันไม่สมบเสมอสารมีสติติดต่อกันก็เรียกว่าเหมือนแต่กระสายหน้ามันไหลการทำตติจัมปัญญาให้ติดต่อกันนั้นก็คือเราพยายามยกจิตเราขึ้นเสมอ mm. เช่นว่าเรา หยิบกีวรขึ้นมาหอมก็รู้จักหอมเสร็จแล้วก็รู้จักเดินไปก็รู้จักมันรู้เสมออย่างนี้แค่ทำอะไรมันก็รู้เสมออยู่อย่างนั้นอารมณ์มกระทบอะไรรู้เสมออยู่อย่างนั้นอต่พระพุทธเจ้าของเราต้องการอย่างนั้นให้รู้ มันรู้ถ้ามีความรู้ติดต่อกันมันก็รู้จักความผิดชอบอยู่ทุกเวลาเหมือนกันกับเราอยู่ในหมู่มากๆอย่างนี้เพื่อนภิกษุสมมเนนที่อยู่ด้วยกันมากมากนี้มันก็เป็นอารมณ์เหมือนอารมณ์ ถ้าเรากำนดอยู่คนเดียวมีสติอยู่รู้มันอยู่มันก็อารมณ์นั่นก็เหมือนคนเราเท่าทันคนถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์นะเร า, าก็ไม่ทะเลาะกับบารมไม่สงสัยกับอารมณ์อืเหมือกมนกัเราอยู่กับเพื่อนมากๆอย่างนี้ ถ้าเรารู้แล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอารมณ์มันเป็นนามประธรรมาตัวภิกษุสัมมเนมทั้งหลายหรืออะไรต่างๆแบบนี้มันก็เหมือนกับลูกปาทธรรม เรารู้รูปประธรรมล้วก็รู้นามประธรรมรูปประธรรมนั้นมันมีรูปเห็นโวยตานามประธรรมนั้นมันรู้รูปเห็นด้วยใจมันดูคนเนทางมังสะจักษุเหล่านี้มันดูรูปเป็นของหยาบปัญญาจักษุนั้นมันรู้นามปรธรรม เราอาศัยอยู่กับรูปนามอยู่โวยรูปโดยเวทนาโดยสัญญาสังขารอินญาณรวมทั้งสองทั้งห้าอย่างนี้ท่านปฏิบัติขันห้าขันห้านั่นก็จัดเป็นกองขันนั่นตานกว่ากองกองรูป กองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณอันนี้มันก็เหลือรูปกับน้ำรูปมันก็คงเป็นรูปรูปเวทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็คงเป็นน้ำมันก็คงเป็นน้ำรูปที่เราอาศัยอยู่เนี่ยท่านจึงจะเห็นว่า รูปนามมันเกิดแม้มันก็ดับรูปนามเกิดแม้ก็ดับเพราะเพราะว่ามันจะมีอะไร ม, มงางสาจักษุเห็นลูกส่วนหยากไอความรู้เกิดขึ้นมามันก็เป็นนามมันก็เป็นรูปนามเท่านั้น รูปมันก็คงเป็นรูปน้ำก็คงเป็นน้ำก็เรียกว่ามันเป็นกองกองอย่างหนึ่งมันเป็นกองน้ำมาธรรมกองหนึ่งมันเป็นกองรูปกองรูปนี่เราจะเห็นด้วยมังกาจากสุกกองน้ำนั่นมันจะเห็นด้วยปัญญาจักสุคือนมามธรรมภายใน แต่ว่ารูปกับนามนี่มันก็ต้องอาศัยกันอยู่ติดต่อกันอยู่แต่ว่ามันแยกเมื่อเราเห็นแล้วว่มันแยกกันออกมันเป็นรูปเป็นนามสองอย่างเถอะนั่นจะพูดไปที่ไหนก็ตามมันเจะมันจะแยกแยะไปที่ไหนก็ตามนัมันก็คงเป็นรูปกับนามรูปกับนามนี้แหละตันณหะขันห้า ขันนั่นแหละท่านเอว่ามันกองกองรูปก็คือมันกองหินหน่วยตากองนามก็คือมันรูด้วยใจก็มีกายกับใจแถานี้ส่วนรูปกับนามนี้ท่านในภาวนาให้รู้เรื่องมันให้รู้เรื่องมันให้รู้เรื่องของรูปเลียนํามมันเป็นขัน เป็นขันห้าคือห้ากองอ น, นั่นเองแล้วจะอื่อันนี้ตัวไอ้ความเห็นของเราทั้งหลายเนี่ยไปยึดยึดทั้งสองอย่างนี่นแหละทลั้งรูปมันก็ ย, ยึดนามมันก็ ย, ยึด ว่าเป็นตัวตนเราเขาอย่างนี้ก็พ อ, พอยึดรูปนามมองเห็นด้วยตาเป็นรูปนี่ก็เป็นเรารูท้ทางจิตใจนั่นก็รู้ว่ามันเป็นเราก็เลยไปยึดเอานามกับรูปนี่เป็นเราให้ความเป็นจริงนั้นพระพุทธองค์ท่านสอนว่าให้รู้จักรูปนาม ให้รู้จักรูปนามรูปนามมันนี่อยู่ทุกทุกคน <c oughs> ตาหูจมูกลี้กายจิตท่านพิงให้ปล่อยมันเราทนไมถึงปล่อยมันไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังไม่รู้ชัดรู้แจ้ง ก็ออยังไปยึดเอานามและลูปนั่นแหละมาเป็นเราเสมอไปปลอยไม่ได้วางวางไม่ได้การปฏิบัติท่านใรู้จักความเห็นแล้วก็รู้จักความเห็นที่ดีกว่าทิฏฐิคือความต่อไปเห็น คิดผิแนแปลว่าความเห็นมานะคือตัวเขาไปยึดเป็นตัวประทานไอ้ความเป็นจริงนั่นคิดผิเนี่ยมันก็ยังไม่ดีไม่ชัว่วมันเป็นแบบความเห็นไอ้ความเห็นห น, นี่มันมีอยู่ตลอดเวลา เรียกปฏิทินี้แต่ว่าิฏิทินี้เมื่อปราศจากปัญญาเมื่อไหร่อุปัทานก็เข้าไปยึดมั่นเลยจยึดมั่นถือมั่นถ้ารู้มันโดยโดยโดยทิฏฐิความเห็นนี้มีปัญญามันก็ทำลายสิ่ ง, งหลางๆเราได้ ในความเป็นจริงนั้นเราจะมีความสุขทุกหรือผิดนั้นก็เพออราะกับปยึดกันห้ายึดรูปกับนามนี้ครูบาอาจารย์เราตั้งแตงสอนรูปนามเลยเนี่ยไม่หยุดอย่างอภิธรรมก็พูดไปเถอะมีแต่รูปนามกันถึงนั้นอจะเป็นรูปบรีจะเป็นนามบรีมันจะมีความเห็นคิดถี่ แล้วก็ไปยึดไว้มันกว่าแน่น่ในรูปนามมันวางไม่ได้ที่นี่เราพอมาทํานเนียกดูที่พระพุทธองค์ท่านตัดอ่ามานะมานะาเก้าประการนี่ดูที่ <c oughs> ท่านได้เอาตรงไหนก็คงไม่เห็นว่าท่านได้เอาตรงไหนเลยครับ นี่จะเรื่องมันปล่อยวางอั่งนั้นเนียเช่นจัดเป็นมานะเก้าอย่างเงี้ยมานะความยึดมั่นถือมั่นมานะาทานั้งเก้ามันเราเป็นนักเรียนมาหรือไม่เป็นนักเรียนแล้วก็ก็ไปดูมาเราก็รู้ได้ว่ามานะมันมีเก้า มันเป็นสิ่งที่ละเอียดพอไปมาก <c oughs> ทิศที่นี้มันเป็นความเห็นีกครับไม่เป็นอะไรเห็นแล้วปล่อยวางมันไปอย่างงั้นมันปล่อยมันไม่ได้วางไม่ได้เพราะมานะเรานไปยึดแน่นโดยไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรกัน เช่นท่านกล่าวว่าตัวนี้แหละเรียนก็ดีกว่าเขาอะไรอะไรมันก็ดีกว่าเขาอย่างเงี้ยก็ยังพอไปเห็นว่าเราดีกว่าเขาอยู่นี่เพราะว่ามันดีกว่าเขาจะเทศจะสวดจะไปจะมากำลังทางกาย ทุกสารพัดอย่างมันดีกว่าเขานะตามความจริงเนี่ยแต่ก็ยังเห็นว่าตัวดีกว่าเขาด้วยความโง่ที่ไม่มีปัญญาอันนี้ก็ยังผิดไม่ใช่ทางแล้วนี่อันนี้เคยผ่านมาถ้ามีความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาอยู่เพรเห็นว่าเราดีกว่าเขาอยู่ ด้วยปัญญาอันนั้นก็ไม่มีอะไรถ้าปราศจากปัญญาแล้วก็เกิดโทษเราเป็นผู้ดีกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาความสําคัญว่ามันเสมอเขารวยมานะนั่นแหละเมื่อเราเสมอเขาก็เห็นว่าเสมอกับเตานั้นด้วยปราศจากปัญญานะ่ะ อันนี้ก็ไม่ถูกอีกแล้วผิดทางของขพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเลวกว่าเขานี้อันนี้ก็ไม่ถูกทางอีกแล้วเป็นผู้เลีวกว่าเขาสาคัญตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ เป็นผู้เหลียวขัวเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่ทางเป็นผู้เหลียวขัวเขาสําคัญตัวว่าเหลียวขัวเขาอีกอันนี้ก็ยังไม่ถูกเนี่ยธารามาพิจารณาดูตรงนี้ว่าเราจะเอาตรงไหนกันจะให้เราอยู่สบาย แปลว่าผู้ท่านมีความรู้บรรลุซึ่งธรรมะไอความเข็นอย่างนี้มันจะมีไหมนะมันเป็นคิดถิมันก็มีมันก็มีมมแต่ว่าวันนี้สัจจะว่ามีคิดถี่นั่นมันประกอบไปเลยปัญญาถ้าประกอบทุกไปด้วยปัญญาทุกอย่างอ่ะมานะเนี่ยมันก็จะหายไป มันก็เหลือแต่สังวรความเห็นฉะนั้นมันเป็นของสมมุติถ้ามันเป็นของสมมุติอย่างนั้นก็ท่านพูดถึงสมมุติท่านก็ทิ้งมันทั้งนั้นมันเป็นจักแต่ว่ามันเป็นกิริยาของจิตเป็นความรู้สึกนย <c oughs> อย่างนี้เ็ลมาหน้าตั่งก้าวมันหายไป หมดมีก็เหมือนกังว่ามันไม่มีมันขาดอุปาทานความยึดแน่นไม่สำคัญมั่นหมายมันเป็นจริงเป็นจัง <c oughs> เห็นแต่สักว่ามันมีความรู้สึกขึ้นอย่างนั้นมีความเห็นอย่างนั้น้ามันประกอบไปด้วยปัญญา ความเห็นเช่นนั้นมันประสัแตแปลว่าเรื่อยไปมันคลายมันคลายไปเช่นั้นเนี่ยท่านก็เห็นด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าท่านเห็นด้วยความเขา้าเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาสร้างก็ถอนอุปาทานในตัวมันเนี่ย ไอของเก่าๆอย่างนี้มันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามีอยู่สักแต่ว่ามีไม่ไปสาคัญมั่นหมายมันจะไม่ก่คอความสุขขึ้นได้จะไม่ก่อเหตุความทุกข์ขึ้นได้ก็เพราะปัญญาตามรักษาอยู่ เป็นอคุปธ ร, รมโมโอทำนี้ไม่กำเลิกท้งมันมีความรู้อย่างนั้นมันมีความเห็นอย่างนั้นอยู่ก็ ต, ตามมันมันเป็นอคุปธรรมโอเพราะอาศัยปัญญารู้แจ้งด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นมันจะดี ว่าเขามันจะเสมอเขาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องสมมติเป็นทางจิตนั้ะเมื่อปัญญาลู่เท่าทันก็ถอนทุกทีอืเมื่อเขียนมื่เกิดอย่างนั้นมันก็ถอนทุกทีเกิดกับดับพร้อมกันมันจะเหมือนกับเราตอบปัญหาของคน ซึ่งเรามีเฉลยอยู่แล้วเราดูเฉลยอยู่แล้วเขาก็ออกปัญหามาเราก็ตอบแต่ทันทีเลยทําไมเพราะเฉลยมันมีอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันอันนั้นถึงแม่มันจะเกิดอย่างนั้นมันก็ทําความเกิดนั้นให้เป็นทุกข์คือมันเกิดดับ ไม่ใช่ว่ามันเกิดเกิดมันเกิดดับชิ่งที่มันเกิดนี่คือมันเกิดทีหลังมันเกิดทีหลังเกิดมันเกิดทีหลังเกิดไอ้ที่มันเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นสมมุติอย่างแกใสนั้นมันเป็นพื้นอยู่แล้ว สิ่งทั้งหลายนี้มันจะเปิดมาแล้กวกป่าให้มันเกิดทีหลังไอ้สิ่งที่มันเกิดก่อนมันมีอยู่แล้วก็เหมือนกรณีว่าเราจับเฉลยปัญหาไว้แล้วเขาก็มาถามปัญหาเราอืพอถามก็ไปปัญหานั้นมันก็สลายตัวไปเลยเพราะเรามีเฉลยอยู่ก่อนแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าส ต, ติ ประจําการที่เราทําและคําที่พูดอยู่เสมอ น, นี่เรียก ว, ว่าปฏิปทาของกิจถ้าหากว่าเราเดินในขั้นนี้นะผมเห็นว่ามันจะไม่มีอะไรขุนมัวเลยจะไม่ขัดแย้งกันเนะครับจะไม่ขัดแย้งกันจะไม่ทําใจให้ขุนมัวเพราะอารมณ์ หรือเราอยู่กันเป็นเพื่อนเพื่อนกันในหลายองค์เนี้ยองค์ใดองค์หนึ่งจะทำอะไรเกิดขึ้นมานั้นเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรจะเป็นเหตุให้เราขุ่นัวทางทางรู้อยู่เหมือนกันนะไม่ไม่มีอะไรจะทำให้เราขุ่นงัวได้เพ้พะเรารู้ในเวลาที่เรารู้เสียงนั้นพร้อมใยปัญญา เสียงชนิดนี้มันเกิด อ, อยู่ก่อนแล้วอันนี้มันเสียงนี่เกิดที่หลังรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็มันการขนนั้นอายตนะทั้งหลายนี้เราเคยสังวรเราเคยสังรวมจนชำนาญแล้วคือรูปในนามนี้รูปเสียงกลิ่นรสนี่หละมันรูปนามมันเป็นขันห้าอยู่แล้ ว, ลวนะรู้รูปตามความเป็นจริงก็รู้นามตามความเป็นจริงแล้ว ดันงนั้นอยู่ด้วยกันมากๆทางพระทั้งเนรในกรงปฏิบัติเนี่ยแล้วผมเข้าใจว่าพระบ็ดีเนนก็ดีใครก็ดีนะอยูอนน่ด้วยกันเนี่ยทะเลาะกันบแวแงกันไม่ถูกใจกันอะไรกันอย่างนี้มีความแย่งแย่งึ่งกันในกันอยู่ในใจเพราะว่ามันไกลธรรมะหรือเืินในส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติเลยครับมันอยู่คนละ มันอยู่คนเดีข้างก็เพราะว่าอารมณ์เกิดมาจิตไม่รู้ตามความจริงต่อที่จิตนั้นยังไม่อบรมเห็นความเป็นจริงไม่มีความจริงอยู่เป็นพื้นมันก็ไม่เป็นปกติ ทิ้งที่เป็นปกติอารมณ์ที่มาถูกต้องเข้าอันนี้อารมณ์ดีไม่ดีรู้อยู่แต่ว่าอารมณ์โสดาบันว่าอารมณ์มันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นเท่านั้นอันนี้มันก็ห้าทีเดียวแหละท่านเดียก ว, ว่าอ่กิเดสกับมรรคเมื่อมรรคมันกลา้ากิเดสมันก็ขึ้นเลยนะ เมื่อกเกลียดมันมากมักก็จเจริญไม่ไหวถ้าเราเห็นเป็นสมาธิอย่างนี้มันไปตกที่ไหนมันก็ไม่เป็นอะไรถา้าเรามีจิตใจอยู่ในใจของเราว่ามันหิดฉาคนนั้นว่ามันเกลียดคนนี้ว่าคนนั้นดีอะไรอย่างเงี้ครับตามความสำคัญมันหมายตัวอุปทานนั้นเป็นทุกข์มาก แปลว่ามันรู้ความรู้ชนิดที่เป็นสักเทวกิริยาเท่านั้นว่ามันเกิดแล้วระดับเท่านั้นก็ไม่มีอะไรนะไม่ใช่ว่าอกิเลสทั้งหลายนี่ที่มันไม่ผ่านไปไม่ผ่านไปกิเลสมันก็ผ่านไปตรงนั้นแหละ ลาคะโทสะโมหะจีเด่นทั้งหลายมันก็ยังอยู่ความยังอยู่แต่ว่าเมื่อมันเกิดมาและไปรีดประโยคาวประจรเจ้าปฏิบัติแล้วผู้มีปัญญาเมันก็จะระงับทันทีของมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมารู้เกิดขึ้นมารู้แล้วมันก็ดับรู้แล้วมันหลับมันไม่ ป, ปฏิสนธิต่อไป อย่างนั้นผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านกันจจารู้แล้วท่านก็อยู่กับโลกสาโลกทั้งหลายนี้ท่านกันจจารูแล้วท่านก็อยู่กับโลกอยู่กับอารมณ์นี้แหละแต่ท่านไม่หลงอารมณ์ทําไมท่านถึงไม่หลงอารมณ์เพราะท่านรู้อารมณ์รู้การความเป็นจริงของอารมณ์ ดีไม่ดีก็อารมณ์ทั้งหลายเหล่าเนี้ยอจะมาฟอกจิตใจท่านให้เบาบางขึ้นด้วยให้เกิดปัญญาด้วยจะมีความรู้อะไรติดต่อกันมากขึ้นมากขึ้นเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มากระทบจะมีกำลังมากนักปฏิบัติเราต้องอยู่ในส่วนนี้ส่วนที่วางมันพิ้ง ทิ้งโดยความรู้ไม่ใช่ปฏิทิ้งโดยความไม่รู้จักเช่นมาหน้าทาั้งก้าที่ผมว่า น, นนะตลอดต้นจนปลายที่สุดมันหมดแล้วไม่มีอะไรทั้งเก้าอย่างนั้นไม่มีอะไรจะเอาแล้วที่นี่เราจะปฏิบัติเอาอะไรกัน ธาราคะโศโหะมาผ่านเสมอแล้วก็วิ่งไปตามประมาณอยู่ด้วยอย่างมันเปลียดคนโน้นมันก็เปลียนเดินไปมันก็เปลียดนึกไปมันก็เปลียดคนนั้นพูดขึ้นมันก็เปลี่ยดอย่างนี้อย่างนี้ครับเปลี่ยน ด, ด้วยสำคัญมันหมายเลยมันจะเป็นนักปฏิบัติได้อย่างไงถ้าเราวิ่งไปตามอารมณ์อยู่อย่างนั้น มันก็ น, นัดวันมันจะพอกกันไปทางนั้นเนีอืมมันจะพอกกันไปโดยมากส่วนนี้พระเนนผู้ก๊อฟต์ปฏิบัติทางายนั้นชอบอยากจะดีไปโดยโดยทางนี้ที่ไม่มีปัญญาเมื่อดีไปแล้วเป็นต้นก็ไม่มีอะไรจะพยายามปฏิบัติในรู้ตามความจริงอันนี้อีก เมื่อไปถูกอารมณ์อยู่อย่างนั้นมันก็เป็นเกินมาอีกเมื่อมันเย็ดมั่นหมายมั่นในอารมณ์เช่นนั้นอีกมันก็หนีจากนั่นไปอีกเมื่อนีไปจากที่นั่นมันสบายมันสบายเพราะไม่มีอะไรจะควรมันแต่อยู่ไปนานๆอีกมันก็กลับมาควรอีกดังนั้นก็ พระพุทธเจ้ากับพระอานณนไปบิษาบาทในตระกูลวิชชาจิตถีเขาไม่ให้ไม่ให้แต่ยืนอยู่นั่นแหละแต่ว่าผู้ที่ไม่มีปัญญาเหมือนพระอานณนก็เดือดร้อนยืนอยู่เฉยๆหรือเปล่าพระองคีจะยืนอยู่ทำไม เขาไม่ให้เรียบไปซสมันก็ดูเรื่องกันมันเสร็จกันนั้น เ, เขาไม่ให้จะยืนอยู่ทําไมอายเขาเนี่เมื่อก็คิดไปในแง่ทุกข์เ่า น, นั้นหละอืมแต่พระพุทธเจ้าองค์นั้นตรัสว่าอืแต่ถ้าคุทธไม่อายอย่างนั้นให้อายสิ่งใดมันเป็นผิดสิ่งใดมันจะผิดคือให้อาย ยัางเราบวชสาบอย่า ง, าางนี้ทรมานสัตยืนอยู่เขายังไม่ให้แล้วกรเ็เป็นบาปอะไรเขาไม่ให้เรากไปก็ไม่มีเรื่องอะไรแม้าวาอีกกงหนึ่งเขาให้ก็จะดีใจกว่ากว่ามันจะถูกนั่นก็ยิ่งไปกันใหญ่อีกแล้วมันเป็นสเส่นนี้ <c oughs> ดังนั้นผู้ปฏิบัติดูจิตใจแล้วอารมณ์ซึ่งมากระทบจิตใจนี่มันมากยิ่งกว่าในวัดเรานี่เองหลายวัดสิ่อีกเท่ยอืม่ซึ่งมันมาประสบกับอารมณ์นั้นอยู่เป็นอยู่นั้นแต่ว่าท่านก็สบายอยู่พอจะรู้เรื่องกับอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเนี่ยคือเหมือ น, นกันกับโลก อารมณ์นั้นมันเป็นโรคมันเป็นของโรคพระพุทธเจ้าของเราท่านรู้โรคคือรู้อารมณ์นั้นตามความจริงไม่เป็นไปตามอารมณ์ น, นั้นอารมณ์นั้นท่านรู้มันไม่รู้จนกระทั่งท่านไม่วิ่งกับมันนั่นแหละอารมณ์ดีก็รู้จักอารมณ์ชั่วก็รู้จักแต่ท่านไม่วิ่งไปกับความดีเ ด, ดชั่วนั้น ไอสิ่งที่มันเป็นสมมติมันก็เป็นตรงนันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาดังนั้นผู้ปฏิบัติขั้นจิตใจเนี้ท่านจึงสอนไาอนโนนถ้าเขาเราเอาชนะตรงนี้ไปได้เราจะไปที่ไหนถ้าอนโนนเราไปที่นโน้นชนบรโน้น ถ้ า, าเราไกลุ่มนู้นไปชนบทนู้นเขาเรายังเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไปที่ไหนก็ต่อไปชนบทนู้นไปเมืองนู้นอีกต่อไปในชนบทนั้นนูนในเมืองนู้นเขาไม่ให้อีกอย่างนี้เราจะไปที่ไหนนี่แหละ อ, อ น, นุนเราก็แพ่เขาเรื่อยไปเท่านั้นแหละ พระพุทธเจ้าจะใ้รู้มันตรงนี้อจิคอนเกิดตรงนี้ระงับมันตรงนี้ละงับที่นี่แล้วมันก็สบายเราชนะมันที่นี่ไปข้างหน้าเราเอชนะมันชนะมันด้วยความเราเอาชนะตัวเราเองถ้าเร า, เาชนะตัวเราเองเราชนะคนทั้งโลก ผมเคยเลยอ่านเรื่องอกามมณิทเป็นเรื่องเป็นราวไปหลายอย่างเรื่องกามมณิทจะยิงข่าวพระพุทธเจา้าก็ติดตามหาพระพุทธเจา้าอยากจะไปประพฤติปฏิบัติอยากจะไปกราบไปไหว้ท่านการละว่าท่าน ถามไปด้วยแบบพระพุทธองค์ไปโน่นก็ไปด้วยตามไปด้วยด้วยไปถึงที่สุดวันนั้นมันจวนจะเย็นยังไงไม่รู้อะแต่พตระพุทธองค์นั้นไปพักชาวประมงใช่ไหมเป็นวิชาชีพทัานก็ไไปไปพักท่านก็พยายามไปถึงโน้นบ้านบ้านนายช่างหมอ้อแล้วเขาตีหมอ้อขายเป็นอาชีพ ไม่ต้องฆ่าสัตว์สัตว์ชีวิตไม่ต้องเป็นมิจฉาชีพท่านประมาทไปพักกับคนจนๆปดีกามานิตก็ไปเท่านั้นแหละไปบ้านจังมอเหมือนตันก็เห็นอยู่ตานี่ยเห็นอยู่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นอยู่เป็นสมณะแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าก็เลยจําวัดที่ข้างคืนกับพระพุทธเจ้า เราเห็นพระพุทธเจ้าเป็นดวงตาไปยังไม่เห็นอีกอยังไม่เห็นก็เพราะว่าตานี้ม่เห็นอีวรนมาเห็นลักษณะาอาการจิตมันไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนกันเั่นนั้นเลยไม่เห็นนะตั้มันตัต้มไเจอพระพุทธเจ้าแล้วยเไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ายังเข้าใจไปอย่างอื่ อันนั้นเรื่องกามมานิสได้เป็นเ ห, เห <c oughs> ตุมาไดพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วกรากมานำคิดมาพินิจพิจารณาดูไ <c oughs> อนน้เรื่องอ น, นี้มันเป็นไงมันเรื่องพศนี่นะเป็นวรรณคาดีดูไปแล้วก็ผมเข้าใจว่าการมานิสนั่นจกเป็นรูปประธรรมก็จะเป็นนั้นก็ได้แต่ว่าเรามาพูดถึงนามมาธรรมกันกามมานิสไม่ได้เป็นอย่างนั้น ใครทุกคนอยู่ในนี้ก็กลามเป็นตาเมรีดนนก็ได้แต่ว่ามีจิตอันหมกมุ่นอยู่ในกลามจมอยู่ในกลามกลางโอคะโอค่ะคือกลามป้าโอคะโอค่ะคือพบจิต โ, โ อ, ะ ค, อ, อชโชคะโอค่ะคือจิตถิอวิชโยคะโอคะคือวิชชามแม่น้ำสีสายนี้จมอยู่กาม เป็นเหตุแห่บรรลุคุณงามความดีได้กันกันสัตว์ทั้งหลายอย่างพวกเรานี้ออกเหมือนกันที่เรามาเห็นความแต่รู้ของพระพุทธเจ้านี่เดี๋ยวนี้บวชมาเดี๋ยวนี้นะครับก็กากาบมันหมกมุนอยู่ในกามแม่เราจะโพนผมมาบวชห่ผมผ้ากาเสรราื้อผมาบวชอยู่อย่างเนี้ยทําวัดสวดมนต์อยู่อย่างเนี้นย ปฏิบัติอยู่อย่างนี้เนละแต่จิตมันมหมกมุนอยู่ในกามอืมอโอคะกาโมคะโอค ะ, ะคือกามพะโอคะโอคะคือภพคิดโสภะโอคะคือทิฏฐิอวิชโชคะโอคะคืออวิชชาห่วงนา้าทั้งสีสายเนี้ยมันท่วมใจอยู่มันยังจมอยู่มันยังจมอยู่ในน้ําของกามเนี้ย จึงไม่มองเห็นธรรมที่กัจจรู้ของพระพุทธเจ้าบางท่านบางองค์ก็เลยพูดว่าโอ้ยผมไปไม่ไหวแล้วผมสู้ไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้วดูดิแบบน้ามันท่วมหัวหใจอะ่ะก็เลยไม่เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อไปเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้า ก, ก็ไปเห็นพระพุทธเจ้านั่นเอง นี่เราพูดเป็นนามมาทมอันนี้ไม่มีใครจะเถียงแล้วมันจมอยู่ในโอคะห่วงน้ำทั้งสี่เนี่ยดูทีครับมันจะไม่รู้จะกุดจะเกิดแล้วครับมันกันสัตว์ทั้งหลายไว้ในห่วงน้ำคือกามกามนี่คืออะไรมันใคร มันใข่ในกามอยู่ติดต่อเรื่อยๆกามเห็นลูกมันก็ท่วงใจฟังเสียงมันก็ท่วงใจได้กลิน่นมันก็ท่วงใจได้รสมันก็ท่วงใจโฟนทะปะมันก็ท่วงใจมันท่วงอยู่อมืมันอยู่ในกาม มันจม อ, อยู่ในกลามก็เหมือนกับคนที่จมอยู่ในความมืดเช่นว่าคนจมอยู่ในหนวกหูหนวกอย่างนี้มันจมอยู่แม้จะตะโกนดังแรงก็ไม่ได้ยินเสียงนี่แต่ทาไมพอหูมันหนวกเหมือนกับคนจมอยู่ในความมืดคือคนตาบอดจะแสดงสีสันวันณนะอะไรก็ตามทีเจอะ มันไม่มองเห็นแสงเสียนั้นเพราะตามันบอดเนี่ยดังนั้นพวกเราตั้งหลายนั้นจิงจมอยู่ในน้ำของกาบใครอันนี้พวกเนกามนิ์ ตัวเรานี่แหละพอเป็นกางมนิตย์ไม่เห็นพระพุทธเจา้าคือม่มองเห็นธรรมะของท่านอย่างแจ่งแจ้งมันเป็นตกอยู่ในวัตฏะสงสารวนไหยตายเกิดอยู่ตลอดเวลาผุดเกิดผุดตายอยู่อย่างนี้ ไอ้ของตั้งหลายเ่าเนี่ยไอ้สิ่งตั้งหลายเลาวนี่ยีิเดดตั้งหลายเ่าเนี้ยไม่ใช่ว่ามันหมดไปมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ถึงมารู้แจ้งมันแล้วมันก็ยังอยู่รู้แจ้งโลกอันนี้มันก็ยังอยู่แต่แว่ามันอยู่ข้างนอกไม่อยู่ขา้างใน มันเป็นสัจจะว่ายังอยู่อะไรต่างๆมันจะสัจจะว่าไปทางนั้นเนี่ยทั้งหมดดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่าผู้ปฏิบัตินี่จะต้องพยายามสงใจให้มากอย่างาพาะกอรู้พระขอสะลาบกันนี้จกอย่างนี้เป็นตัวอย่าง ถ้าพูดถึงเรื่องกิเลสแล้วผมคิดว่าไม่มีใครไม่ไม่มีใครดีกว่ากันันะอย่างผมกัทบทะเลาะกับอาจารย์อาจารย์ชูถ้าให้ผมตัดสินแล้วนะ่ะด้วย อ, อาจารย์ชูกับมหาบุญมีทะเลาะกันเนี่ยให้ผมตัดสินวนจะผม่าไม่มีส่วนเท่าเท่ากันเนี่ยเพราะมัมีส่วนเท่ากัน ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอะไรมันเท่าเท่ากันใช่ไหมอ้เนี่ยใช่ผมหลงอภิสิกรแล้วผมว่าไม่มีใครนะจะดีกว่ากันนะนี่เสียหายกันสองเลยถ้าเราเป็นทุกข์เพราะอารมณ์ก็เพราะเราขาดปัญญา ถ้าเระทุกข์ก็พวกก็ฝูงอิจฉาจาร้อนกันอยู่ก็ยิ่งห่างไกลนี่คือคือคนไม่มีปัญญายังไม่ใกล้ธรรมะเลยถ้ายังมีความหมดตั้นอยู่เสมอนั่นก็ยังดีอยู่นะยังดีที่เป็นศีลธรรมยังไม่เป็นธรรมะดังนั้นพวกท่านทั้งหลายซึ่งมาศึกษาในภ ร, รษานี้จวนเจอะภญษาแล้ว บางองค์ก็อยากจะรู้อันนั้นบางองค์ก็อยากจะรู้อันนี้แต่ผมว่าพอแล้วรับการฝึกการพิจารณาพอแล้วคือเรียกว่าไอ้น้ำเนี่ยมันจะเต็มขวดแล้ว เมื่อลินก็ไปใส่มันก็ไหลออกแ้บนั้นถ้าไหลออกไปเรื่อยๆเราจะไปขืนลินเสร็มันก็ไหลออไปเรื่อยไม่เกิดประโยชน์อะไรมากดังนั้นหลากฐานการปฏิบัตินี้ต้องถูกต้นเอบฝึกในตัวเองนี่สองส่วนกับครูบาอาจารย์สักส่วน เอาไว้เสมอ <c oughs> ถ้าเราศึกษาตัวเองเราก็ต้องสนใจใทุกเวลาแค่ <c oughs> ว่ามันชอบหมดนะพอเลยยืนตรึงตรึงตากันไเขาอีกอเรี้ยไม่กี่วันมันก็ได้หมดติเรบรอยหมดไปมันยืนตัวไม่ได้เพราะอะไรมันวหายน้ำไม่ได้ ว่ายข้ามตามเลย่ะยังไปเสจะเสนอตามอยู่